สัพพโมลกะในสองรยสี่สิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นทานเพื่อเป็นบุญเพื่อบูชายัน์เพื่อจะไปสวรรค์เพื่อสืบพันุ์เพื่อทดลองและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัดสังคาที่เศษสัพพโมลกกาในจบ